เพื่อนิติประชุมพระรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาล 2505 พระวาตาบังกาสมเด็จอุดมทานการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความตรงใจเครือต่อการปฏิบัติดีคือตระหนักหน้าที่ที่ตนจะควรทําได้ใดๆ จึงทำด้วยความตรงใจเราจะประกอบจิตใดๆก็ตามถ้าขาดความตรงใจหรือว่าขาดสติเพื่อทําจิตจิตธุระเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความตรงใจคือความตั้งใจในจิตจิตธุระนั้นๆ นี่แต่อันคือเรื่องของสติที่เป็นไปกับจิตผ่านนั่นนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีความเปรนอยู่ในตัวถ้าขาดความตรงใจแล้วผู้ที่จะเป็นชั่งอยู่บ้างทําอะไรมีความสยงงามแต่ถ้าขาด ทำตรงใจแล้วผลที่สําเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพเพราะฉะนั้นความตั้งใจจึงเป็นของสําคัญเรามีความมุ่งอยู่ในจิตธุระหน้าที่ของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับธุระที่เราทํานั้นๆหน้าที่สุดเราปัดกวาดลานวัด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 นั่งสมาธิก็เป็นธุระอันหนึ่งเดินตรงกลมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดธานวัดหรือปัดกวาดศาลาก็จัดว่าเป็นงานแต่ละชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับกิจการงานซึ่งตนทําอยู่นั้น เดือดว่าเป็นพุ่มความเพียรอยู่กับทั่วหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวัดขาดตอนนี่เรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใกล้ต่อการปฏิบัติจึงเป็นการฝึกหัดสะดิบไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความตรงใจ วิคากติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียรขัดมรรคาตนให้เริ่มพยายามฝึกหัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างเมื่อความเคยชินแห่งจิตใจเราอื่นมีต่อการงานและความเคยชินของนิสัยซึ่งในจิตภพตั้งอยู่บ่อยๆ การนานที่เราทําก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นที่เลี้ยงของใจนี้เมื่อเวลาเราจะพยายามทําความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอํานาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอ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 ซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นคู่บังคับไม่มีกําลังเพียงพอจิตจึงเป็นเหตุให้เหวี่ยงลากออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาทั้งปนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันกับเด็กที่ทนท่าคืนยังไม่มีความลอกคอกต่อเด็กคนนั้นแล้ว บุคคลนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะความตนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความตนต่ออารมณ์ซึ่งตนทั้งตนไม่เคยสังสสมมาเป็นเวลานานจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความตนเท่านั้นต้องอาศัยที่เลี้ยงคือพฤติจึงพูดต่อสมัถะวัง และสายความฉลาดมีปัญญาพยายามปลดเพื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลให้ควรให้ติดตามในเหตุผลด้วยอํานาจของปัญญาเสมอไปได้เมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญา คู่ค้อมตอนอยู่แล้วก็คืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นภาคติดต่อตนเองอีกต่อไปให้เป็นเช่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปในนั้นคือการฝึกหัดจิตจิตหัดสติฝึกหัดปัญญาให้จิตหัดทํานองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่าย หรือถ้าคุณทับเฒ่าเมื่อทําอีกการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ตามถ้าเราทําด้วยความทับเฒ่ามักง่ายแล้วยังจะเกิดสวกเรื่องเข้าไปถูกความมักง่ายในเวลาที่เราทําความสงบหรือทําความเพียรในทางใจโดยเฉพาะได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกจิตใจทั้งเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อกิจการงานเสมอไม่ให้มีความสักเท่ามักหายจังอยู่ในนิสัยของตนถ้าผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความจดต่อหวังต่อความสําเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อย ด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทั้งด้านภายในจิตใจก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซับซ้อนจะเป็นไปเพื่อความรอบคอบในจิตใจของตนเอง เรื่องภายนอกกับเรื่องภายในต่อถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทํางานภายนอกจึงต่อถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในหากใครเป็นคนทักท้าวมักง่ายในจิตและหน้าที่ภายนอกแล้วรู้ใสซึ่งเคยอันนี้ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในจิตการภายนอกนั้น เมื่อเข้าไปดํางานหรือว่าทํากิจการงานภายในใดที่เคยเป็นผู้เข้าเข้ามาหาก็จะต้องทําให้หนานพอให้นั้นการพิพัทธ์ให้เป็นคนแน่นอนให้เป็นคนกินต่อธุระหน้าที่ด้วยความตรงใจ ทำต้นปฏิสัยในกิจการงานนั้นๆให้สมฤทธิ์ลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจคู่นี้แลเมื่อเข้าไปดําเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบกว่าดีให้เป็นไปในทางปัญญากว่าดีจักดําเนินไปโดยรอบคอบทั้ง 2 ทาง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 รู้ตัดเหลือก่อนพะนาทอย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดนิสัยให้ตนมีความฝึกนิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ <c oughs> ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดอยู่ที่ตัวของเราเองนี่เป็นการเพียดเฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคําว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทํางานทีแรกหรือเริ่มปบลมจิตใจทีแรกเรียกว่าต้นทางการเริ่มทํางาน ในทางด้านจิตใจของเราไปคือขั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นยึดเป็นสมาธิท่านมีความเรียบขาทางด้านปัญญาบ้างนี้เรียกว่าเกรงธรรมมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถ ตนถอดถอนตนของตนให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลไม้ผลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลไม้ปลายของผลไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลไม้ลูกเดียวนั้นเอง เหมือนมะพร้าวเราจะคิดถูกไหมว่ารายของมะพร้าวลูก 1 ลูก <c oughs> 1 นั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูก 1 เท่านั้นไม่ต้นไม่มีรากเรื่องของไก่ก็ทํานองเดียวกันน่ะ แต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจที่จะพิจารณาในความหยาบปรรจางวิธรรมละเอียดแห่งความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่อุบาสกที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความบรรเทาหรือมีความละเอียด เกิดขึ้นมาจากใจดวงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่าตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรือเรียกว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือจิตเหล่าล้อมของจิตมีความอยากความไม่อยากเท่านั้นขออนุญาตกันฝึกหัดนิสัยของตน ให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคอนเทนท์อย่าเป็นคนจับตนฝึกหัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทําต้องทํากําหนดเวลาเวลาอย่างไรไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวลาซึ่งตนของตนได้กําหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนเอาไปแล้ว เอามันลบอย่าทําทํานองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้าเราตั้งคําตัดแต่ตัวของเราเองแต่ก็มีใครที่จะมาสามารถทําลายความตัดของเราเราตัวเองเป็นผู้ทําลายความตัดของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของต้นเด็กเอ้อภูมิก็ภาคดาว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 กับนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริงเมื่อเป็นนิสัยที่ว่ามอกแข็งแกร่งไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทําตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังขึ้นใครถึงก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเรา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 แล้วคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนขนก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเองจึงจะพยายามทําสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในในธุระหรือในการกระทําของเราจึงจะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิ ตั้งแต่สมาธิขั้นหยาบจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในกิจการของเราในหน้าที่ของเราดับสิ้นใจเราดงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนลักลอยสมาธิก็ไม่มีศีลก็เป็นศีลลอยหลงสมาธิก็ลอยหลงปัญญาก็ลอยหลงหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้ อู้โทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่ดีตัดสินใจของตนลงสู่หลักแห่งธรรมที่พระองค์เจ้าทรงปรับไว้ครบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผลมาจากที่ไหนหรอกปัญญาจะหุงต้มเกินกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทรงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบปนชอบพิจารณาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรักษาสมบัติจะประกอบอาชีพให้สําเร็จรู้เรื่องก็ได้ด้วยความเรียบร้อยไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโจรจารมารได้ ไม่ว่าทางรูปและทางธรรมคนมีความฉลาดคือคนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบอาชีพตั้งแต่เล็กๆจนสามารถประกอบได้เป็นการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติภัตตนาสําคัญอยู่ที่ปัญญาสติ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 ไอ้สึกหัดตนของตนเป็นทํานองนี้จะได้อยู่ในกรอบของสติจะอยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเคยชินตนจาเป็นนิสัยของคนที่รอบทุกอ่าน ไตรเครื่องบูเหตุผลปรับถึงต้นทั้งต้นได้ด้วยความถูกต้องเพราะอํานาจของปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายปรินใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะกลับถึงใจดงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอํานาจของปัญญาอีกเพียงเดียวกันด้วยนั้นจงพากันเพียรญามสติกับปัญญาให้แนบสนิทกับตัวไปทุกเวลา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 อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจถ้ามีสติปัญญาตามรอบรู้ตามพิจารณากันอยู่เสมอมีท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทําอย่างนี้ท่านเหมือนทําอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เติบโตขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้ว ที่ลดลงไปอือเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้วที่เรียกตัณหาอากวะจะมาทั้งรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสหลวงไหลเข้ามาสู่ภายตนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะที่ลดลงไปถึงหัวใจดวงนั้น ต้องหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเย่อผายไม่มีภารเพลิดจราดไม่มีความรับผอบต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในจึงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้ที่เรียกกันหาอัตตะที่ลดทั้งวันทั้งปีมีไม่สมควรสําหรับผู้ที่จะดําเนินเพื่อวิวัตะ <c oughs> คือความพิศโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทําใจของตนให้เป็นห่วงทั้งท่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่เก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวังพยายามจิตคน <c oughs> ตัตึกกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใกล้ต่อการระมัดระวังผู้ใกล้ต่อการพิจารณาตรวจสอบหรือไตร่ตรองในเหตุทั้งหลายที่มาสัมผัสซึ่งเป็นประอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเรา ให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไตร่ตรองทั้งนั้นเดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั้นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายในต้องเป็นไปกับสติและปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทําเหมือนอย่างขอนสูงทั้งท่อน เดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าทําตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวตอทํารู้สึกความรอบคอบในการงานที่การภาวนาของตนไม่มีก็เหมือนกันกับหัวตอไม่มีที่เกิดกันอันใดผู้ขอให้เราทั้งหลายได้พ้นที่เกิดกัน ลื้อฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาลื้อฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สําหรับหัวใจของเราเองนิรโรคไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เค้าเหยียบย่ําหัวใจเพราะหัวใจเป็นภูผนังสูงทั้งทอดไม่สามารถที่จะปลดเครื่องที่หมองหมองซึ่งเกิดขึ้นกับคน เรียกเป็นกรานที่ลดใจลงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าที่โลภที่โกรธที่หลงที่ดื้อทั้งนี้เป็นต้นที่เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าที่หมายถึงว่าต้นของที่หยาบก็เลยให้ชื่อดังนั้นเสีย เมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์ที่จะทําตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในจิตใจตรงเป็นผู้พุทธคหปฏิเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจตรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรั้วกั้นจิตอย่าให้เลย ขอบเขตของกติไปได้ปัญญาเป็นผู้ตระหนักในทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดเรื่องการฝึกหัดนิสัยในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจฝึกหัดจริงๆเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอ ตนจึงต่อนิสัยเหล่าแล้วเราเดินไปที่ไหนสติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นใครจะมาจากที่ไหนเหตุที่ใครจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติให้ปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากกายเองจึงเกิดขึ้นได้คุกคุกกระโพกและไม่เลือกการวีลาด้วยไม่เลือกอิริยาบถใดด้วยนี้เราก็มาตําหนิติโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อน แต่เราก็แสวงหาความเดือดร้อนในตัวเองนั้นเราไม่ทําเลยอาการที่แสวงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวมีท่านเรียกว่าสมุทัยเกิดเป็นการเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไปขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุให้เป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุกข์ จะกลายจนดุไปแน่ๆพระองค์สมเด็จพระภูมิก็ภาคดาวและสาวกทั้งหลายท่านเดินตรงกลมปรากฏในตวัดของสาวกมากบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นนี้ก็สอให้เห็นแล้วว่า อันพยายามเอาสิ่งออกดังเท่าไหนพอความที่กระแวกห่างจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเสียได้ไม่เข้ามาเวียนว่ายตายเกิดรับความทุกข์ความยากความลําบากซึ่งอย่างกับทั้งหลายที่เป็นอยู่ในธรรมนี้มีตัวบอกของเอาเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทําความกระหาหรือร่าตรงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ ได้ทำไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบในนานลองสังเกตดูที่วันนึงวันนึงถ้าเราตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันและเมื่อขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกัน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 จะจับจุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าสติปัฏฐาน 4 คือฐานที่ตั้งแห่งสติคุณงามกายจิตเราได้ตั้งอยู่กับภายนี้แล้วสติบังคับจิตไว้กับภายนี้แล้วปัญญาต้องเกื้ออยู่ในสกุลณภายนี้แล้ว ที่ว่าได้เดินทางในอังของอริยสัจอย่างสมบูรณ์ทุกข์ก็คืออันที่จะรู้เท่ากันในองค์ของอริยสัจนี้ทั้งหมู่ไทยก็เป็นอันว่าจะเกิดและได้ถอนกันอยู่ในองค์อริยสัจนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บําเพ็ญอยู่ในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจลิสัยจองใน อัฐอนุโลธนิโรธธรรมดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของทุกข์ชั้นต่ําจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้ง 4 โดยละนปฏิปทาฐานทั้ง 4 จึงเป็นทางเดินของภารยะเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอายตนะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนาคือความสุขความทุกข์และเฉยๆ คิดหมายถึงเจตสิกกับธรรมที่ปรุงขึ้นเมื่อขาดวัคคตอนธรรมหมายถึงอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐาน 4 บรรดาปริยชะทุกๆประเภทต้องถือ กับที่ประธาน 4 เป็นอารมณ์ของกายการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกคูณโสโครกบ้างเหล่านี้เรียกว่าที่เกิดนากาย ญาณปัฒนาสติปัฏฐานตานี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเองกายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุปายะแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอนัยรวมก็ได้ พิจารณากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายไหนก็ตามใครเป็นไปเพื่อความเห็นโทษใครเป็นไปเพื่อความแก้ไขใครเป็นไปเพื่อความสลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรียบรับพิจารณากายในสติปัฏฐาน การพิจารณากายทั้งหลายเหล่าที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่ออะไรพิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสําคัญในกายนั้นมาเป็นอย่างไร ซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บันเทาหรือเบาลงไปหมดความสําคัญว่าตานั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นศักดิ์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือหน้ากํานัดยินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอํานาจของปัญญาเป็นผู้วิถีไฉน และตัดสินความสําคัญของตายซึ่งเป็นบอกเกิดในอุปาทานที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปเป็นลําดับเช่นยังองค์สมเด็จพระภูมิมีพระภาพจะทรงสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในป่าช้าถ้าพิจารณาภาพอสบในป่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกทั้งองค์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 เมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็ตัดแต่ว่ากายไม่ใช่กัดด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยนี่ตัดแต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกาย ความเฝ้าแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุปาทานได้หมดไปแล้วก็อํานาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือนี้เราควรทราบว่าการพิจารณานัยกติประฐานที่นี้ก็จะต้องพิจารณา แต่ก่อนแล้วก็ต่อไปเวทนาต่อไปจิตและต่อไปธรรมอย่างนั้นเป็นการคาดติดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนหนึ่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็น 4 ประเภทเท่านั้น 4 ประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้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 ที่อาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นติดแต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณาตายเวทนาก็แฝงอยู่ในตายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการไหนจะเป็นการที่เรากําลังพิจารณากายอยู่ก็ตามหรือนอกจากกายนั้นแล้วก็ตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งธรรมเฉยๆ ซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องศึกที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นถ้าได้สอบทักว่าเวทนานี้เป็นอะไรลบกล่าวว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบรรดาเวทนาทั้ง 3 นี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้ง 3 นี้มีลักษณะเช่นเดียวกัน ว่าอนิจจังเวทนาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเกิดขึ้นทุกการทุกข์สมัยต้องเป็นไปกับด้วยตระหนักทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากตระหนักคืออนิจจังทุกข์ของอนาตาไปแล้วก็ไม่เกิดความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตายกลัวอีกเท่านั้นตามลักษณะของเขา หรือจะพิจารณาเวทนาเราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน 4 แล้วความติดในอาการทั้ง 4 หรือในสภาวะธรรมทั้ง 4 นี้คือกาเยตนาจิตธรรมเราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขาตื่นได้ทุกขณะตื่นได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้ง 4 นี้ คือนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวะธรรมทั้ง 4 นี้จึงไม่จําเป็นจะต้องกําหนดโดยล้ําเวลาคือคําว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสัมพันธ์มั่นหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั่งตรงแตกกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามตรงว่ายังไงหมายว่ายังไงกําหนดพิจารณา ตามกระแสของใจสิ่งที่เป็นหมายหรืออารมณ์เหล่านั้นเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตติดต่อนั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั้นเองท่านเรียกว่าธรรมนี่ถ้าว่าพิจารณา เวทนาในเวทนานอกอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งเปรียบกายในกายนอกเราพอทราบกันไม่ทักซึ่งอย่างกายของคนอื่นเมื่อเราไปเยี่ยมป่าช้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณาฆ่านอกส่วนเวทนาในนี้จะหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกหมายถึงเวทนาอะไรเวทนานอกถ้าเราเจอหมายคนอื่นเป็น คนนํามาหาว่าเขามาแสดงกิริยามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นถูกหรือเป็นผิดแล้วเราจะมีช่องทางหรือโอกาสพิจารณาเวรฐานของเขาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งทั้งเหมือดลูกแต่ทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสําคัญให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิด ขึ้นในการกระทำของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแย่ผายเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในสถานที่นี้หรือเวลานี้เจ้าก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยสมในพิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอก มันหมายถึงกายเวทนาเวทนาหมายถึงจิตตเวทนาคือเวทนาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการเจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนใดอวัยวะหรือก็ปวดที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเวทนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเสียเสื่อมขึ้นทางกายก็ตาม จัดว่าเป็นเวทนานอกทั้งนั้นเวทนาในนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอํานาจของสมุทัยเป็นเครื่องขับดันเกิดฐานทุกข์ขึ้นมาบ้างเกิดความสุขความลื่นเรืองขึ้นมาบ้างเถิดเถอยบ้างตรงนี้เรียกว่าเวทนาในการนิเทศนาเวทนานอกการพิจารณาเวทนาในมี 3 ลักษณะ เป็นเครื่องยืนหยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดําเนินด้วยธรรมทั้งนั้นเอ่อเมื่อเราได้พิจารณาในส่วนตายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอกที่มีอยู่กับปราณีทัศน์แล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี้ก็ย่อมจะชัดไปได้เพราะอํานาจของปัญญา มีมีความละเอียดเข้าไปเป็นลําดับมีการพิจารณาทัศนฐานพิจารณาอย่างนี้อันนี้เดินาจิตตามปยัติท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอเข้าใจแล้วแต่แต่ของใจเรามีความเกี่ยวข้องก็คิดแทงพิศแงนไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกต ความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมออยู่เรียกว่าพิจารณาจิตคือพิจารณาพิจารณาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทําความเคลื่อนอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถที่จะพิจารณากตปัฏฐานทั้ง 4 นี้ไปพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้ง 4 นี้ เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทับผลตรงเจอกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกําหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนแล้วเวทนาเป็นที่ 2 จิตเป็นที่ 3 ธรรมเป็นที่ 4 ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วทั้งระพังร่างกายและจิตใจของเราล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของสภาวะฐาน 4 ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาในส่วนสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้อง เมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นการจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ตั้งเกื้ออยู่ในสติปัฏฐานทั้ง 4 นี้แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในฐานที่นี้ธัมมาอริยะที่ท่านกล่าว ตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาปัตติทานาคอรหันก็ต้องได้อุบายประจักษ์ธรรมทั้ง 4 ประเภทนี้เองด้วยอํานาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นตามไปจริงในสภาวะที่แล้วควรจะได้รับผลในธรรมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นๆตามแต่กําลังความสามารถของตนจะพิจารณาได้ในธรรมขั้นไหน แต่นั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยทาฐามังเป็นพระนาคามังเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาพระอริยปัฏฐานทั้ง 4 ก็ดีการพิจารณาในอริยะก็จะทําทั้ง 4 ก็ดีอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ การกันตั้งแต่ที่เท่านั้นและหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันตายก็ทุกขังอนิจจังชาติทุกข์ติทุกข์ตราปิทุกข์มณํปิทุกข์นี้เกี่ยวกว่าการพิจารณาในความทุกข์ความลําบากความทรมานของกายนี้ก็จัดเป็นการวิญญาณุปัสสนาด้วยเป็นทุกขสัจด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจ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 เออขออย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกไปจากตายข้างล่างที่ไหนนอกไปจากตายข้างหน้าข้างหลังข้างฟ้าข้างฟ้าที่ไหนนอกไปจากตายอันนี้อันนี้ออกจากตายอันเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะอัตาลิท่านว่าไว้ว่าอริยสัจจะธรรมทั้ง 4 ก็ดีปฏิปทาธรรมทั้ง 4 ก็ดีถึงทราบว่าออกจากฆัมมชาติอันเดียวนี้ เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัสสนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงเพราะอํานาจของปัญญาเราพิจารณาไม่กี่ครั้งแล้วความปล่อยวางในได้ก็จะปรากฏขึ้นทันในจิตใจของ เอริกว่าขออุปาทานของกายจะได้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้ง 3 ให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งกายนี้แล้วสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่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 เมื่อการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามพันธุ์ของจิตที่มีความติดพันจิตมั่นกว่าพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องคื่อสายเปิดเผยให้จิตดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้เช่นอย่างพิจารณากายเออที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจเป็นสําคัญการที่ว่าเป็นอะไรมาก แต่รู้กี่ทางกี่ทางแต่รู้กี่สมมุตินิยมที่กายจะทําความที่กายจะทําความหมายขึ้นจากตายท่อนเดียวหรือข้อเดียวนี้ว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นขึ้นหน้ารับใช่ชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วทั้งจากเกิดขึ้นเป็นความสําคัญที่เกี่ยวกับกายขนาดนั้น เมื่อปัญญาได้พลีกายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้นี้ของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหนนี้ของเครื่องทาเอ่อเครื่องแสถาวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปรอยู่ที่ไหนมีอัตตาอยู่อยู่ที่ไหนในตัวแห่งกายนี้นี้จึงแสดงโดยทางปัญญา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 ตามปัญญาแล้วที่ก่อวางมาอย่างนี้การพิจารณาเวทนาก็คล้ายๆเช่นเดียวกันกับที่คลายจิตคลายนี้ให้เห็นจิตเด่นชัดที่คลายดูเวทนาทั้ง 3 ทุกข์ทุกข์เฉยๆที่คลายดูสัญญาให้ชัดที่คลายดูสังขารให้ชัดที่คลายดูวิญญาณให้ชัด โดยลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ภายใน ส� การด้วยปัญญาให้จิตได้เกรงตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ที่ห้องหมอกทางได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ต้นเสีย ที่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันด้วยอํานาจของปัญญาได้อย่างกว้างทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นครับไม่มีอะไรลี้รับเพราะอํานาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาแต่แสของใจที่วิ่งอยู่ลึกๆนิดๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งทั้งสัญญาที่มีทํา สำคัญมั่นหมายในจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันอีกการเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้พิจารณาในสภาวะธรรมจนหยาดมีรูปเป็นต้นแก่ให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้รับ เป็นธรรมที่เกิดเถิดเป็นสภาวะธรรมที่เกิดเถิดโดยทางปัญญาเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็ปราเป็นธรรมที่เกิดเถิดอีกเช่นเดียวกันอืมจึงได้เห็นกระแสของใจที่เถื่อนท่านอยู่ทั้งวันทั้งคืน เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะนี้แต่ก่อนผูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกปิดตําบังกระแสของใจจึงจึงเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกายจึงทนเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นคู่บริษัททุพโธแค่คู่เดียวทั้งๆที่เราเป็นผู้หลงแต่คู่เดียวนั่นเองนี่ต่อเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนาม เอ่อพัดเดินด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจเห็นกระแสของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้รู้จนบ่อเกิดแห่งกระแสของใจนี้พัดเดินเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคือคลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัฏจักรเป็นธรรมรู้ที่ครู 6 นี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญา ธรรมชาต incarcerated fi Persis ลัยเป็นธรรมเปิด laughter ขึ้นมาอีกไม่มีอันในที่เหลือหรออยู่อย่าเมื่อธรรมชาตที่อาวิกษา ความรู้ลstr Ler rough เป็นครั้งรู้ที่เช็มเฉื่อเรื่องโกฮ 미�Rayด์ฟรร์奖querด deploy 돼เห็นเหรอ Joanna watching Alfataätt Verify แล่ความรู้ที่เปิด p earned by침 ในแกะประจายหรือเป็นธรรมที่เปิด p earned faster archa นั้นเราถึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกติดแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความลุ่มหลงของสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออีกแล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธโดยไม่ต้องเกิดตัณห์แต่อย่างใด ได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในหลักธรรมตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจ่มแจ้งดังนั้นเรื่องทั้งหลายจึงจะเป็นอันว่าเปิดเผยอยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปสภาวะทั่วๆไปทั่วทั้งจักรวาลนี้เกิดเป็นสิ่งที่ปล่อยขึ้นมาพร้อมๆกันอีกน้ําก็เหมือนกัน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกข์ทุกข์อย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตาก็กลายเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมท้อมกันเพราะเหตุใดเพราะบ่เกิดแห่งความลี้ลับได้แก่อวิชชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยอํานาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกฐานนี้จึงเป็นอันว่าญาติ ไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วที่วัตตจักรเป็นพันมากยุติกันลงได้ในจิตนี้เองเพราะฉะนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งนี้รับต่อใจตรงนี้ได้ได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุฒิตังปรมจริยังตังกรณียัง หมดกิเลสในพระศาสนาหมดทั้งความบำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างละเอียดหมดทั้งการละการถอนความยึดลับหรือติดบางอันใดต่อไปอีกไม่เป็นอันมากพระภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยจะทุกอย่างความทั้งความบริสุทธิ์พุทโธตรงนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับภาวะธรรมทั้งหลายได้เปิด ซึ่งมามีเรียกว่าธรรมเปิดเผยมัฏจักรก็ได้เปิดเผยมีมัฏจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มกำเพาะเจาะจงเริ่มพยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความกำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึง ธรรมที่เกิดเถอยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใดนิรัพธ์ในโลกในโลกธาตุนี้แม้แต่ว่านิวัตะที่เรียกว่าคันธนานั้นก็เป็นการเกิดเถอยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุฒิธรรมธรรมะใดอย่างข้อเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้อธิบาย ในลานี้เรากําลังอยู่ในความลี้ลับอันใดก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสําหรับเราซึ่งกําลังลุ่มหลงอยู่รูปจะเป็นรูปทั่วก็ตามรูปนี้ก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยใจด้วยนั่นคืออวิธาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ที่ลี้ลับที่สุดซึ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทบริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกล้าถึงของลี้ลับไปตามตามกันพอธรรมชาตินี้จะถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวะธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยไปหมดถึงกระทั่งถึงวิญญาณติฐินิพพานแท้เองก็ถูกเปิดเผยแต่พร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผยอย่างนี้เราทําข้อวัดปฏิบัติทุกขั้นทุกอันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้ง สิ่งที่เป็นมัฏฐะทั้งสิ่งที่เป็นวิวัฏฏะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กําหนดทิฏฐิพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอริยบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัฏจักรด้วยทั้งวิวัฏจักรด้วยในสันธิธิโกความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองนั้นในอวสานแห่งพระธรรมองค์นี้ อานุញ្ញานุภาพของสมเด็จพระกุฏิภพภาพจากความตั้งแต่ธรรมเหล่าโสงส่งดลบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญยอกยาในศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงวิมุตติวิมุตติญาณภาวตนะให้กลายเป็นธรรมเปิดเผยแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยเลิศล้ำเธอ